หเอกนิเทศเจ็อกสิบเอ็ดวิญญาณห้าไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปเป็นโลกียะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ขอ ง, งโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์อม ข, อ ข, อมของนิวรณ์ เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอัพยากิตรับรู้อารมณ์ได้ไม่เป็นเจตสิกเป็นวิบากกามมันประกอบด้วยตัณหาและทิสติยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานกิเลสไม่ทำให้เศร้มองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ไม่สอรคตด้วยปีติไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเพื้งบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเป็นปริตะ เป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ให้ผลไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมโนวิญญาณรู้ได้ไม่เที่ยงถูกชราครอบงำเ็ดรกสิบสอ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 มีวัตถุเป็นภายในมีอารมณ์เป็นภายนอกอธิบายว่าวัตถุของวิญ ญ, ญาณหเป็นภายในอารมณ์ของวิญญาณ5เป็นภายนอกคำว่าวิญ ญ, ญาณหมีวัตถุไม่แตกดับมีอารมณ์ไม่แตกดับอธิบายว่าเมื่อวัตถุยังไม่แตกดับมเมื่ออารมณ์ยังไม่แตกดับวิญ ญ, ญาณหก็เกิดขึ้น คำว่าวิญญาณหมีวัตถุต่างกันมีอารมณ์ต่างกันอธิบายว่าวัตถุและอารมณ์ของจักรวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของโสตวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของคารณวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของชิวหาวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งวัตถุและอารมณ์ของกายวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เ6็ดร้าคำว่าวิญญาณ5ไม่เสวยอารมณ์ของการแลกกันอธิบายว่าโสตวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขูวิญญาณจักขูวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณคานวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขูวิญญาณจักขูวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของคานวิญญาณชิวหาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของจักขูกวิญญาณ จ we we we ักก we ุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของจักกุวิญญาณจักกุวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณจักกุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณจักกุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของขานวิญญาณจักกุวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ จักขวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของจักขวิญญาณโสตวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของโสตวิญญาณคานาวิญญาณไม่เสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่เสวยอารมณ์ของคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณ ไม่สเสวยอารมณ์ของกายวิญญาณแม้กายวิญญาณก็ไม่สเสวยอารมณ์ของจิวหาญญวิญญาณ764ดคำว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ใส่ใจอธิบายว่าเมื่อใส่ใจอยู่วิญ ญ, ญาณหขาก็เกิดขึ้นคำว่าวิญ ญ, ญาณหไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มานาสิการอธิบายว่าเมื่อมานาสิการอยู่ วิญญาณหก็เกิดขึ้นคำว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นโดยไม่สับล right ําดับกันอธิบายว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นตามลําดับของกันและกันคำว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นพร้อมกันอธิบายว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน767ดร้อว่าวิญญาณหไม่เกิดขึ้นในลําดับของกันและกัน อธิบายว่าโสดตวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักกุวิญญาณเกิดแม้จักกุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่โสดตวิญญาณเกิดคานวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักกุวิญญาณเกิดแม้จักกุวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่คานวิญญาณเกิดชิวหาวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จักกุวิญญาณเกิด แม <im sharing> <im> ้จะกูวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ชิวหาวิญญาณเกิดกายวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่จะกุูวิญญาณเกิดแม้จักรูวิญญาณก็ไม่เกิดขึ้นในลำดับที่กายวิญญาณเกิดจักรูวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับโสตวิญญาณเกิดจักรูวิญญาณไม่เกิดขึ้นในลำดับที่ขานวิญญาณเกิดจกูวิญญาณไม่เกิดขึ้น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 คำว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมะอะไรอะไรด้วยวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมะอะไรอะไรด้วยวิญญาณห้าคำว่าเว้นแต่อารมณ์ที่ตกไปอธิบายว่าเว้นแต่เพียงอารมณ์ที่มาปรากฏคำว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมะอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่รู้แจ้งธรรมะอะไรอะไรแม้ด้วยมโนธาตุ ในลำดับต่อจากวิ ญ, ญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่สําเร็จอิริยาบถอะไรอะไรด้วยวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่สําเร็จอิริยาบถอะไรอะไรคือการเดินยืนนั่งหรือนอนด้วยวิญญาณหําว่าบุคคลไม่สําเร็จอิริยาบถอะไรอะไรแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหอธิบายว่า บุคคลไม่สําเร็จอิริยาบทอะไรอะไรคือการเดินยืนนั่งหรือนอนแม้ด้วยมโนธาตุในลําดับต่อจากวิญญาณหําว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมด้วยวิญญาณหาอธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวจีกรรมด้วยวิญญาณหําว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ต่อจากลําดับ แห่งวิ ญ, ญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่ประกอบกายกรรมไม่ประกอบวิจีกรรมแม้ด้วยมนโนธาตุในลําดับต่อจากวิญญาณหําว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยวิญญาณห คำว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่สมาทานสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญญาณหาคำว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณหอธิบายว่าบุคคล ไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณหําว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได uh ้ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลําดับแห่งวิญญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่ได้เข้าสมาบัติไม่ได้ออกจากสมาบัติแม้ด้วยมโนธาตุในลําดับต่อจากวิญญาณหําว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคล ไม่จุติไม่ปฏิสนธิด้วยวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ต่อจากลําดับแห่งวิญญาณห้าอธิบายว่าบุคคลไม่จุติไม่ปฏิสนธิแม้ด้วยมโนธาตุในลําดับต่อจากวิญญาณคําคำว่าบุคคลไม่รับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณ5อธิบายว่าบุคคลไม่รับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห คำว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญ ญ, ญาณหอธิบายว่าบุคคลไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ด้วยมโนธาตุในลำดับต่อจากวิญ ญ, ญาณหความรู้เรื่องวิญ ญ, ญาณหดังกล่าวมานี้ชื่อว่าปัญญาที่แสดงเรื่องของวิญ ญ, ญาณหตามที่เป็นจริงยานวัตถุหมวดละหนึ่งมีด้วยประการชนิด เอกกนิเทศจบ 2. ทุกกนิเทศเ6 7 67. ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากริตในภูมิสามชื่อว่าโลกิยปัญญาปัญญาในมัคสผลสชื่อว่าโลกุตระปัญญาปัญญาทั้งหมดชื่อว่าเกณจิวินเนยยปัญญาและชื่อว่า นเกนะจิวิญเยยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสาชื่อว่าสาสวัปัญญาปัญญาในมรรคสผลสชื่อว่าอนาสวัปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิในภูมิสาชื่อว่าอาสวะวิปยุตตะสาสวัปัญญา ปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าอาสวะวิปยุตตะอนาสวะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลอัพพยากฤิตในภูมิสาชื่อว่าสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าอสัญโยชนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลอัพพยากฤิตในภูมิสาม ชื่อว่าสัญญโฉนวิปยุตตะสัญญโฉนิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าสัญญโฉนวิปยุตตะอสัญญโฉนิยปัญญาปัญญาในถภาวธรรมที่เป็นกุศลอัพอภกฤิตในภูมิสาชื่อว่าคันทะนิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าอคันธนิยปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสาชื่อว่าค an ันทะวิปยุตตะคันทนิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสชื่อว่าค an ันทะวิปยุตตอคันทนิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสาชื่อว่าโอคันยปัญญาปัญญาในมรสีผลสี่ ชื่อว่าอนคณียปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกระดในภูมิสามชื่อว่าโอควิปยุตตะโอคณียปัญญาปัญญาในมรสีผลสีชื่อว่าโอควิปยุตตะอนุคณียปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลอัพยกระดในภูมิสาม ชื่อว่าโยคณิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าอโยคณิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอภยกระิศในภูมิสามชื่อว่าโยควิปยุตตโยคณิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าโยควิปยุตตอโยคณิยปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤะษในภูมิสามชื่อว่านิวรณียะปัญญาปัญญาในมรรคสีผลสชื่อว่าอเนวรณียะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤะษในภูมิสาชื่อว่านิวรณวิปยุตตานิวรณียะปัญญา ปัญญาในมัคสีผลสชื่อว่านิวรณวิปยุตต์อนิวรณียปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤิตในภูมิสามชื่อว่าปรามัตถปัญญาปัญญาในมัคสีผลสชื่อว่าอปรามัตถปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤตในภูมิสาม ชื่อว่าปรามาสวิปยุตตาปรมามัตปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสี่ชื่อว่าปรามาสวิปยุตตาอัปรมามัตถปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสามชื่อว่าอุปาทินะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิในภูมิสาม ชื่อว่าอุปาธานิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าอนุปาธานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกระดในภูมิสามชื่อว่าอุปาทานวิปยุตตาอุปาธานิยปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสชื่อว่าอุปาทาน วิปยุตตะอนุปาธานิยปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสชื่อว่าสังกิเลสิกปัญญาปัญญาในมรรคสีผลสชื่อว่าอสังกิเลสิกปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสชื่อว่ากิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะปัญญา ปัญญาในมรจีผลสี่ชื่อว่ากิเลสวิปยุตตาอสังกิเลสิกปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิตกชื่อว่าสวิตกกะปัญญาปัญญาที่วิปยุตจากวิตกชื่อว่าอวิตักกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุตด้วยวิจารชื่อว่าสวิจาระปัญญา ปัญญาที่วิปทยุจจากวิจารณ์ชื่อว่าอวิจารปัญญาปัญญาที่สัมปยุจด้วยปีติชื่อว่าสปีติกปัญญาปัญญาที่วิปทยุจจากปีติชื่อว่าอปีติกะปัญญาปัญญาที่สัมปยุจด้วยปีติชื่อว่าปีติสหคตาปัญญาปัญญาที่วิปทยุจจากปีติชื่อว่านปีติสหคตาปัญญา ปัญญาที่สัมยุญด้วยสุขชื่อว่าสุขขสหคตาปัญญาปัญญาที่วิบยุจจากสุขชื่อว่าณสุขขสหคตาปัญญาปัญญาที่สัมยุญด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเบกขาสหคตาปัญญาปัญญาที่วิปบยุจจากอุเบกขาชื่อว่าณอุเบกขาสหคตาปัญญา ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรกุศลและกามาวจรอัพยากฤตชื่อว่ากามาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นบรูปาวจรปัญญาที่เป็นอรูปาวจรปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ชื่อว่านากามาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นบรูปาวจรกุศลและ รูปาวจรอภยากฤตชื่อว่ารูปาวจรปัญญาปัญญาที่เป็นกามาวจรปัญญาที่เป็นอรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ชื่อว่าณรูปาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นอรูปรวาปวจรกุศลและอรูปาวจรอภยากฤตชื่อว่าอารูปาวจรปัญญา ปัญญาที่เป็นกามาวจรปัญญาที่เป็นบรูปาวจรและปัญญาที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ชื่อว่าณอรูปาวจรปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตในภูมิสามชื่อว่าปริยาปนะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ผลสีชื่อว่าอปริยาปนะปัญญา ปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิยานิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสาที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอัพยกตกิริยาในภูมิสาชื่อว่าอนิยานิกะปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิยตปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสาม ที่เป็นวิบากในภูมิสี่และที่เป็นอภยากตกิริยาในภูมิสชื่อว่าอนิยตตะปัญญาปัญญาในสภาบธรรมที่เป็นกุศลและอภยากฤรตในภูมิสชื่อว่าสอุตรปัญญาปัญญาในมรรคสีผลสชื่อว่าอนุตตรปัญญาบรรดาปัญญาเหล่านั้น อัตชาปิกะปัญญาเป็นไนะปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสี่และที่เป็นอภยากตากิริยาของพระอระหันต์ผู้กําลังทําอภิญญาให้เกิดขึ้นผู้กําลังทําสมาบัติให้เกิดขึ้นชื่อว่าอัถชาปิกะปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่ และที่เป็นอพยากตกิริยาของพระอระหันต์ในเมื่ออภิญญาและสมาบัตเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าชาติปิตตถะปัญญาญาณวัตถุหมวดละสองมีด้วยประการชนิดทุกกานิเทจบสามติกกนิเทศเจิ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 ว่ารูปไม่เทียงเวทนาไม่เทียงสัญญาไม่เทียงสังขารไม่เทียงวิญญาณไม่เทียงดังนี้บ้างได้ความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจ่างความเพ่งพินิษและได้ปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าจินตามยะปัญญา สุตมยะปัญญาเป็นไฉนในการงานทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในศิลปะทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาในวิชาทั้งหลายที่ต้องจัดการด้วยปัญญาบุคคลได้ฟังจากผู้อื่นได้กรรมัสกตายานหรือได้สัจจานุโลมิกญาณว่ารูปไม่เทียงเวทนาไม่เทียงสัญญาไม่เทียง สังขารไม่เทียงวิญญาณไม่เทียงเดังนี้บ้างได้ความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจายความเพ่งพินิจและได้ปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสุตามายปัญญาปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามายปัญญา 769. าทานมยะปัญญาเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสมาธิิปรารภทานเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ให้ทานนี้เรียกว่าทานมยะปัญญาสีลมยะปัญญาเป็นไน ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารฏศีลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้รักษาศีลนี้เรียกว่าศีลละมัยปัญญาปัญญาของผู้เข้าสมาบัติแม้ทั้งหมดชื่อว่าภาวนามายปัญญา770อิธิศีลและปัญญาเป็นฉไน ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมาธิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้สํารวมปาฏิโมกขสังวรนี้เรียกว่าอธิศีลปัญญาอธิจิตตปัญญาเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมาธิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้เข้ารูปาวจร สมาบัติและอรูปาวจรสมาบัตินี้เรียกว่าอธิจิตตปัญญาอธิปัญญาปัญญาเป็นฉไนปัญญาในมรสีผลสีนี้เรียกว่าอธิปัญญาปัญญา771อายโกสนเป็นฉไนเมื่อบุคคลพิจารณาธรรมเหล่านี้อยู่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 ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมา ธ, ธิิในข้อนั้นนี้เรียกว่าอปายโกศณ์ปัญญาแม้ทั้งหมดที่เป็นอุบายสำหรับแก้ไขในเมื่อกิจรรีบด่วนหรือภัยที่เกิดแล้วนั้นชื่อว่าอุปายโกศณ์7 2ปัญญาในตภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่ชื่อว่า วิปากปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิ4ชื่อว่าวิปากธรรมะธรรมะปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นอัพยาคตากิริยาในภูมิสชื่อว่าเนวะวิปากณนะวิปากธรรมะธรรมะปัญญา773ปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสาม ชื่อว่าอุปาทินุปาธานิยปัญญาปัญญาในสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสามและที่เป็นอัพยากตากิริยาในภูมิสามชื่อว่าอนุปาทินุปาธานิยปัญญาปัญญาในมรสีผลสชื่อว่าอนุปาทินะอนุปาธานิยปัญญา744 ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยวิตกและวิจารณ์ชื่อว่าสวิตักกสัวิจารปัญญาปัญญาที่วิปยุทธ์จากวิตกแต่ส well hmm ัมปยุทธ์ด้วยวิจารณ์ชื่อว่าอวิตักกวิจารมัตตปัญญาปัญญาที่วิปยุทธ์จากวิตกแลอวิจารณ์ชื่อว่าอวิตักกอวิจารปัญญา7จ็ ปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยปีติชื่อว่าปีติสหคตะปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขชื่อว่าสุขสหคตะปัญญาปัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาชื่อว่าอุเบกขาสหคตะปัญญา7จ็ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสชื่อว่าอาจยคามินีปัญญา ปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่าอปัจจยคามินีปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสและที่เป็นอัพยกตกิริยาในภูมิสาชื่อว่าเนวาจายคามมินาปัจจยคามินีปัญญา777ปัญญาในมรรคสี่และในผลสชื่อว่าเสกขปัญญา ปัญญาในอรหัตตผลอันเป็นผลเบื้องบนชื่อว่าอาเสกขปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสาที่เป็นวิบากในภูมิ3และที่เป็นอัพยากตกริยาในภูมิสาชื่อว่าเนวเสกขนาเสกขปัญญา778ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิ ซึ่งเป็นกามาวจรชื่อว่าปริตฐปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤิตซึ่งเป็นบรูปาวจรและอรูปาวจรชื่อว่ามหคตะปัญญาปัญญาในมรรคสีผลสชื่อว่าอัปมาณะปัญญา7จ็บรรดาปัญญาเหล่านั้นปริตารามณะปัญญาเป็นชนยัย ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงมงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบสภาวะธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปริตารมณปัญญา780มหคตารมณปัญญาเป็นฉไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงมงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิ ปรารภสภาวธรรมที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามหคตา ร, รมณปัญญาเจ็ดออัปปมานารมณปัญญาเป็นฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นอัปปามณะเกิดขึ้นนี้เรียกว่า อัปมาณารมณปัญญา782รมัคารมณปัญญาเป็นฉะไหนปัญญากริยาที่อยู่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารฏอริยมรรคเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคารมณปัญญาปัญญาในมัดสี่ชื่อว่ามัคคเหตุกะปัญญา 783. มัคคาทิปตินีปัญญาเป็นไฉนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงง ม, มง่ายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมอริยมรรคให้เป็นอธิบดีเกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคคาทิปตินีปัญญา 784. ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นวิบากในภูมิสี่ ที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิสและที่เป็นอภพยากะตะกิริยาในภูมิสที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน785ปัญญาทั้งหมดที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี786อติตารมณปัญญาเป็นฉไฉไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปราลกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอติตารมณปัญญา787 อนาคตารรมะปัญญาเป็นไฉ น, นปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารุปสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอนาคตารรมะปัญญา788ปัจจุปัา น, นาระมะปัญญาเป็นไฉ น, นปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัจจุบันนารมณ์ปัญญาเจรปปัญญาทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี790้ก อัชตารามณปัญญาเป็นไนปัญญากริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาติติปรารภสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอัชตารามณปัญญาเจ็พหิทธารามณปัญญาเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารภสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าพระหิทธารมณปัญญาเจ็อัจชะตะพหิทธารมณปัญญาเป็นฉนัยปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ปรารบสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและภายนอกตนเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอจชตพหิทธารมณปัญญาญาณวัตุหมวดละสามมีด้วยประการชนีติกะนิเทศจบสี่จตุกกะนิเทศเจ็ดร้อยก้าสิบสาม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 มารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งโลกมีและโลกหน้าด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกดังนี้นี้เรียกว่ากรรมสกัตตาญาณเว้นสัจจานุโรมิกะ เป็นสัจจานุโรมิกยานเสียปัญญาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแม้ทั้งหมดชื่อว่ากรรมมัตสกตายานสัจจานุโรมิกยานเป็นฉไนะความสามารถความคิดอ่านความพอใจความกระจากความเพ่งพินิษปัญญาที่สามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสมซึ่งมีลักษณะหรือว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเป็นต้นละ่ะสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหรือวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้บ้างนี้เรียกว่าสัจจานุโรมิกญาณปัญญาในมัคตีชื่อว่ามัคคสังคิยานปัญญาในผลสี่ชื่อว่าภะสมังคิยาน794ดรสมัคังฆยานได้แก่ ความรู้ในทุกความรู้ในทุกขจมุทัยความรู้ในทุกขณีโรธความรู้ในทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในทุกขเป็นไฉนปัญญากิริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมาริฐิปรารลทุกข์เกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกข ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารบทุกขสมุทัยปรารบทุกขนีโรธปรารบทุกขนีโรธคขามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในทุกขนีโรธคามินีปฏิปทา795 ปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นก Hall, ุศลและอัพยกระตที่เป็นกามาวจรชื่อว่ากามาวจระปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกระตที่เป็นรูปาวจรชื่อว่ารูปาวจระปัญญาปัญญาในสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกระตที่เป็นอรูปาวจรชื่อว่าอรูปาวจรปัญญา ปัญญาในมรสีผลสี่ชื่อว่าอปริยาปัณะปัญญา796ธรรมยานเป็นฉไนะปัญญาในมรสีผลสี่ชื่อว่าธรรมยานพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงนำในคือปัจจเวคขณยานไปในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ซึ่ง ทรงรู้ทรงเห็นทรงบรรลุทรงรู้แจ้งและทรงยังถึงแล้วว่าในอดีตการสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้รู้ทุกรู้ทุกทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธและรู้ทุกขนิโรธทามินีปฏิปทาสมณะหรือพรามเหล่านั้นก็ได้รู้ทุกนี้รู้ทุก คมุทไทนี้รู้ทุกขณีโรดนี้รู้ทุกขณีโรธฆาไินีปฏิปทานี้ในอนาคตการสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจกรู้ทุกรู้ทุกคตมุทไทรู้ทุกขณีโรธฆามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นก็จะรู้ทุกนี้รู้ทุกคัตมุทไทนี้รู้ทุกขณีโรดนี้ รู้ทุกขณิโรธคามินีปฏิปทานี้ปัญญากิริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในการนำในคือปัจเจเวคขณะยานไปนั้นนี้เรียกว่าอันวยญาณปริจญานเป็นไนพิจุในธรรมในนี้กำหนดรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่น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 รู้จิตปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะรู้จิตหดหูว่าจิตหดหูรู้จิตฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่านรู้จิตที่เป็นมหคกตะว่าจิตเป็นมหกรตะรู้จิตที่ไม่เป็นมหคกตะว่าจิตไม่เป็นมหคกตะรู้จิตเป็นสัุตระว่าจิตเป็นสัุตระ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 ความเลือกเฟ้นธรรมสมาธิทฐิในจิตของสัตว์เราอื่นของบุคคลเราอื่นนั้นนี้เรียกว่าปริจยานเว้นธรรมยานอัญวยยานปริจยาแล้วปัญญาที่เหลือชื่อว่าสัมมตยาน797อยาสจอาจยโนปัจยะปัญญาเป็นไฉนะ ปัญญาในกามาวจรกุศลชื่อว่าอาจยะโนอปัาปัญญาปัญญาในมัคสีชื่อว่าอปัญยาโนอาจยะปัญญาปัญญาในรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลชื่อว่าอาจยะอะปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าอาจยะโนอปัาปัญญา ร้อนิพพิทาโนปฏิเวทปัญญาเป็นฉไนะบุคคลเป็นผู้ปราศจากปราคะในกามทั้งหลายแต่ไม่ได้แทงตลอดอภิญญาและสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญาใดนี้เรียกว่านิพพิธาโนปฏิเวทปัญญาบุคคลนั้นเป็นผู้ปราศจากปราคะในกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละ ได้แทงตลอดอภิญญาแต่ไม่ได้แทงตลอดสัจจะทั้งหลายด้วยปัญญานี้เรียกว่าปฏิเวทนโนนิพพิธาปัญญาปัญญาในมรรคสี่ชื่อว่านิพพิธาปฏิเวทปัญญาปัญญาที่เหลือชื่อว่าเนวนิพพิธานโนปฏิเวทปัญญา799 หานภาคิณีปัญญาเป็นฉไฉนสัญญามานสิการที่สหรคตด้วยกามครอบงำโยคาวาจรบุคคลผู้ได้ปฐมฌานชื่อว่าหานภาคิณีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคิณีปัญญาสัญญามานสิการที่ไม่สหรคตด้วยวิตกครอบงำ ชื่อว่าวิเศสภาคินีปัญญาสัญญามนัสิการที่สวรคตด้วยนิพพิทาประกอบด้วยเวราคะครอบงำชื่อว่านิเพเพทภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สวรคตด้วยปีติและสุขครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้ตติยชาญชื่อว่าหาณภาคินีปัญญาสติ ที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญามนัสสิการ์ที่สวรคตด้วยอทุกขมสุขเวทนาครอบงำชื่อว่าวิเสสภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สรคตด้วยนิพพิธาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่า นิพเพทภาคินีปัญญาสัญญาณนติการที่ถวารคดด้วยอุเบกขาครอบงามโยคาวจรบุคคลผู้ได้จดตุตถชานชื่อว่าหานาภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญาณนติการที่ถวารคดด้วยอาการสานัญจายตนะครอบงา ชื่อว่าวิเสสภาคินีปัญญาสัญญามานัสิการที่สรคตด้วยนิพพทาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิเพเทภาคินีปัญญาสัญญามานัสิการที่สารคตด้วยรูปครอบงำโยคาวจรบุคคลผู้ได้อากาสานัญจายตนะชื่อว่าหาณภาคินีปัญญา สติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญามานสิการที่สรารคตด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศสภาคินีปัญญาสัญญามานสิการที่สรารคตด้วยนิพพิธาประกอบด้วยวิราคะครอบงำชื่อว่านิพเพทคามินีปัญญา สัญญาณนสิติการที่สารคตรด้วยอากาษานัญจายตนะครอบงาโยคาวาจรบุคคลผู้ได้วินญานัญจายตนะชื่อว่าหาณพาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมัน่นชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญาณนสิติการที่สารคตรด้วยอากินจัญญายตนะครอบงา ชื่อว่าวิเศษภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สารคตรด้วยนิพพิทาประกอบด้วยวิริยาคะชื่อว่านิพเพทคามินีปัญญาสัญญามนสิการที่สารคตรด้วยวิญญาณัญจายตนะครอบงำโยคาวาจรบุคคลผู้ได้อากินจัญญายตนะชื่อว่าหานภาคินีปัญญาสติที่มีสภาวะสมควรแก่ธรรมนั้นตั้งมั่น ชื่อว่าทิติภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สัตว์รคด้วยเนวสัญญาณาสัญญายตนะครอบงำชื่อว่าวิเศสภาคินีปัญญาสัญญามนสิการที่สัตว์รคด้วยนิพพิทาประกอบด้วยเวราคะครอบงำชื่อว่านิเพทภาคินีปัญญา800รปฏิสัมพิธาสี่เป็นฉไนะ ปฏิสัมพิธา4คือ 1. อัตสัมปติสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในอัตสองธรรมปฏิสัมพิธาหมายถึงปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิธาหมายถึงปัญญาแตกฉานในนิวรุตสี่ปฏิภาณนับปฏิสัมพิทาหมายถึงปัญญาแตกฉานในปฏิภาณความรู้ในอัตชื่อว่าอัตปฏิสัมพิทา ความรู้ในธรรมชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาความรู้ในการกล่าวธรรมนิวรณ์นั้นชื่อว่านิวรณติปฏิสัมพิทาความรู้ในญาณทั้งหลายชื่อว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาเหล่านี้ชื่อว่าปฏิสัมพิทา8 0ดรปฏิปทาสี่เป็นชไหนปฏิปทาสี่คือหนึ่ง ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาหมายถึงปฏิบัติลาบากทั้งรู้ได้ช้า 2. ปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาหมายถึงปฏิบัติลาบากแต่รู้ได้เร็ว3ปัญญาที่เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาหมายถึงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า สี่ปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาหมายถึงปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทาสี่เหล่านั้นปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉไหนะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสำมาติฐิเกิดขึ้นแกโยคาวจรบุต คนผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยากโดยลำบากทั้งรู้ฐานะนั้นชา้านี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญยาเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมา ธ, ธิิเกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยยาก โดยลาบากแต่รู้ฐานะนั้นได้เร็วนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปัญญาที่เป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นไฉนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมา ธ, ธิเกิดขึ้นแกโยคาวาจรบุคคลผู้ทาสมาธิให้เกิดขึ้น โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากแต่รู้ฐานะนั้นชา้านี่เรียกว่าปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาเป็นไฉไหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสำมาทิฏฐิ เกิดขึ้นแกโยคาวจรบุคคลผู้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากทั้งรู้ฐานะนั้นเร็วนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาเหล่านี้ชื่อว่าปฏิปทาสี่8 0ดอารมณะปัญญาสี่เป็นฉไนอารมณะปัญญาสี่คือหนึ่ง ปัญญาที่เป็นปริตะและมีปริตะเป็นอารมณ์ 2. ปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ 3. ปัญญาที่เป็นอัปปามานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์ 4. ปัญญาที่เป็นอัปปามานะและมีอัปปมานะเป็นอารมณ์บรรดาอารมณปัญญาสี่นั้นปัญญาที่เป็นปริตะและ มีปริตะเป็นอารมเป็นฉนหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงง ม, มงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแกโยคาวาจรบุคคลผู้ไดสมาธิที่ยังไม่ชำนาญคล่องแคล่วแพอารมไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตะและมีปริตะเป็นอารม ปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอปปมานะเป็นอารมเป็นฉนหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแกโยคาวาจรบุคคลผู้ใดสมาธิที่ยังไม่ชำนานคล่องแคล่วแพอารมณ์ไปได้กว้างขวางจนหาประมาณไม่ได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นปริตะแต่มีอปปมานะ เป็นอารมณ์ปัญญาที่เป็นอปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์เป็นชนยัยปัญญากริยาที่อยู่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแกโยกาวจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วแพ่อารมณ์ไปได้เล็กน้อยนี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอปปมานะแต่มีปริตะเป็นอารมณ์ ปัญญาที่เป็นอัปปามานะและมีอัปปามานะเป็นอารมณ์เป็นฉนิดปัญญากริยาที่อยู่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสมา ธ, ธิิเกิดขึ้นแกโยคาวาจรบุคคลผู้ได้สมาธิที่ชำนาญคล่องแคล่วแผ่อารมไปได้กว้างขวางจนหาประมา ณ, ณไม่ได้นี้เรียกว่าปัญญาที่เป็นอัปปมามะนะและมีอัปปมามนะเป็นอารมณ์ เหล่านี้เรียกว่าอารามณปัญญาสี่มัคคสังฆิยานได้แก่นี้ความรู้ในชรามรณะนี้ความรู้ในชรามรณะสมุทัยนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรดนี้ความรู้ในชรามรณะนิโรธคามิหนีปฏิปทาความรู้ในชรามรณะเป็นไหน ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภชรามรณะเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชารามรณะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารภชรามรณะสมุทัยเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะสมุทัย ปรารบชรามรณะนิโรธเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะนิโรธปรารบชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาแปดสมมัคัสมังคิยานได้แก่ความรู้ในชาติความรู้ในภพ ความรู้ในอุปาทานความรู้ในตัณหาความรู้ในเวทนาความรู้ในผัสสะความรู้ในสลายตนะความรู้ในนามความรู้ในวิญญาณความรู้ในสังขารความรู้ในสังขารละสมุทัยความรู้ในสังขารละนิยุโรธและความรู้ในสังขารละ นิโรธคามินนปฏิปทาบรรดาความรู้เหล่านั้นความรู้ในสังขารเป็นฉไฉไรปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปรารอบสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง ม, มงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิปรารบสังขารลสมุทยัยปรารบสังขารานิโรธปรารบสังขารานิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความรู้ในสังขารานิโรธคามินีปฏิปทาญาณวัตถุหมวดละสมีด้วยประการชนิษ จะตุกกะนิเทศจบ